บทที่84ความเงียบปกคลุมไปชั่วขณะคงได้ยินแต่เสียงสายน้ําที่กระโจนคลื่นครันลงไปยังวังบนเบื้องล่างซึ่งเป็นเสียงที่เกิดชั่วนิรันด์ของแอ่งน้ําตกประหลาดนี้ระคนไปกระเสียงจักรจันรเรไรที่กรีดปีกบรรเลงเพลงขับกล่อมไัยราตรีรอบด้านนายจ้างสาวกับพรานหนุ่มต่างนิ่งงันอยู่ในห้วงคิด ซุปในกระป๋องที่ลนไฟอยู่เดือดลนออกมาระพินชะโงกลงไปเป่าไฟอันเป็นเตาพิเศษที่ซ่อนอยู่ในกระป๋องเบื้องล่างดับลงเขาใช้ผ้าขาม้าประคองจับนำไปตั้งตรงหน้าหญิงสาวดารินตื่นจากความคิดคำนึงอันหนักอึ้งเหลือบตาขึ้นสบกลิ่นไอของอาหารสำเร็จรูปที่ใช้ในสนามมันไม่ได้วิเศษอะไรหรอก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 ยอมพรานบอกอย่างมั่นใจภายหลังจากจุดบุรีสูบเป็นตัวที่สองลักษณะของป่าเป็นยังไงมั่งละ่ะระพินหล่อนถามอย่างมืดมนเพราะขณะที่โผล่จากใต้อุโมงนั้นตนเองหมดสติไม่สามารถสังเกตเห็นอะไรได้เพิ่งจะมารู้สึกตัวแน่ชัดก็ต่อเมื่อมือดสนิทลงแล้วผมก็ยังมองไม่เห็นชัดเหมือนกันละครับเพราะตอนที่เราโผล่มานะ่ะมันขมุ ข, ขมัวเต็มทีแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นโดงดิบ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 โดยสายลำทานใต้ดินเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นและถ้าคำนวณย้อนไปถึงตำแหน่งแรกที่เราหลุดร่วงปล่องเหวลงมาป่านี้ก็ไม่น่าห่างจากป่าแรงที่เรารเผชิญไฟป่าสักเท่าใดจอมพรานยกมือขึ้นบีบที่ต้นคอตนเองเขาก็กำลังใคร่ครวนอยู่เช่นเดียวกันมันก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณหญิงว่าเหมือนกันนะครับถ้าจะพิจารณาในเหตุผลข้อนี้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 รอยยิ้มแค่นๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากอันเขียวครึมไปด้วยเครานั้นแวตาทั้งคู่ปรากฏแสงฉงนฉงไายสุดที่จะปรงใจเชื่ออะไรได้ทั้งสิ้นหลอนพยายามอ่านสีหน้าแล้วก็รู้ว่าเขาเต็มไปด้วยความมึนงงนั่นเป็นการสันนิษฐานกันด้วยเหตุผลครับผมเองก็อยากจะเห็นด้วยกับเหตุผลข้อนี้แต่รู้สึกว่ามันจะมีสิ่งขัดแย้งกันเองเกิดขึ้นในแง่ของภูมิศาสตร์ สมมติว่าที่นี่เป็นป่าต่ํากว่าระดับที่เราบุกบั่นกันมาโดยอยู่ในวงล้อมของหุบเหวลึกอย่างที่คุณหญิงว่าอย่างน้อยที่สุดเราควรต้องเห็นร่องรอยของมันบ้างในระหว่างที่กรากันมาในความแห้งแล้งกันดานชนที่มองไปทางไหนก็เห็นแต่ทุ่งหญ้าอันกรอบเกรียมและภูเขาหินเราไม่เคยเห็นเหวหรือขบที่มีใบไม้เขียวสดเลยนะครับหรือถ้ามันมีอยู่จริง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 ไม่เคยมีป่าไหนที่พี่รพินไทรวันหลงหรืออับจนมาเจอเข้าคราวนี้ผมต้องยอมรับแล้วก็สารภาพว่ากําลังจนปัญญาตี ป, ปริศนาไม่แตกนะครับแล้วเขาก็หัวเราะออกมาเบาๆต้นไม้ทุกต้นก้อนหินทุกก้อนดูเหมือนมันจะมีชีวิตและกําลังยิ้มเย่อผมด้วยล่ละครับแต่ฉันยังมั่นใจอยู่เสมอนะรพิน ว่ามันไม่พ้นความสามารถของคุณไปได้ดารินกล่าวอย่างหนักแน่นจริงๆในน้ำเสียงมันกลั่นออกมาจากความรู้สึกอันเชื่อมั่นของหล่อนเองครับเชื่อไว้ฉะนั้นก็ดีครับมันจะเป็นกำลังใจไม่ให้คุณหญิงท้อถอยลําพังผมเองอะ่ะไม่ว่าจะหลงอยู่ในป่าไหนไร้กาศสักเพียงไหนผมก็ไม่หวั่นหรอกเพราะป่าคือธาตุชนิดหนึ่งในตัวผมรงข้ามถ้าเป็นป่าคนกรีต ฤรืดงของมนุษย์น่ะผมกลัวที่สุดพักผ่อนให้พอมีกำลังและสมองแจ่มใสสักนิดเราให้ตะวันขึ้นแล้วเราจะเห็นลูกทางเองนะครับกล่าวจบเขาก็ลุกขึ้นเดินไปที่ก้อนหินซึ่งวางไรเฟิลทั้งสองกระบอกโดยปากเอาลำกล้องลงกับพื้นไว้บัดนี้มันเสด็จน้ำแล้วคงเหลือแต่ความชื้นที่เคลือบอยู่ตลอดทั้งกระบอกส่งวเวทีคืนให้เจ้าของซึ่งรับไปตรวจสอบด้วยตัวเอง แล้วนั่งลงใกล้ๆอีกครั้งต่างคนต่างตรวจปืนปลดสปริงล็อกแหนบกระสุนถอดลูกที่บรรจุอยู่ให้ร่วมพรวกมาถอดลูกเลื่อนออกเช็ดจากนั้นก็เช็ดกระสุนทุกนัดที่เปียกโชกน้ำอยู่จนหมาดวางเรียงรายพึงอับไอไฟไว้เสียงดารินร้องครางมาอย่างตกใจเมื่อพบว่าสูญกล้องขยายสี่เท่าที่ติดประจาอยู่กับจุด3 0 0เ Weatherby m um ของหลอน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 เขารับมาพิจารณาแล้วเป่าลมออกจากปากผมนึกแล้วเชียวก็ว่าจะตืนแต่แรกก็กลัวจะไม่เชื่อศูนย์กล้องนะมันเป็นศูนย์แบบสำรวยฉาบฉ่วยบอบบางไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในสภาพเดินป่าสมบุกสมบันอย่างนี้เพราะจะต้องคอยระมัดระวังกระทบกระทั่งกับอะไรแรงๆก็กลับบ้านมันเหมาะสำหรับนักล่าสัตว์ประเภทที่มีคนไล่ต้อนสัตว์ออกมาให้ยิง หรือไม่งั้นก็เอาไว้ฆ่าตกรรมสัตว์หรือคนในระยะไกลแต่ถ้ารักจะเดินป่ากันแบบไม่รู้อนาคตแล้วศูนเหล็กแบบเปิดที่โรงงานติดตั้งมาให้พร้อมกับปืนนะ่ะเป็นดีที่สุดครับยังโชคดีอยู่บ้างนะที่เวทีบีของคุณหญิงกระบอกนี้นะ่ะมีศูนเปิดติดตั้งมาให้ด้วยไม่งั้นมันจะหาประโยชน์อะไรไม่ได้อีกเลยเขาเอาไขควงเล็กๆที่มีติดตัวอยู่เป็นประจำ ไขสกรูที่ยึดขากล้องติดกับฐานออกแล้วกระชากกล้องหลุดจากโครงปืนโยนลงไปตรงหน้าหลอนเอเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกก็ได้นี่ครับเรื่องอะไรฉันจะเก็บมันไวห้หนักแล้วก็คว่างมันทิ้งมาสิว่าแล้วเจ้าของปืนก็คว้าขึ้นมาคว่างกระเด็นหายออกไปนอกกองไฟและทดลองยกขึ้นประทับไหลเล็งตามศูนย์เปิดธรรมดาอันโรงงานติดตั้งมาให้พร้อมปืน รู้แล้วรู้รอดไปสทัทีดีเหมือนกันจะได้เหม็นเกะ ก, กะหนักด้วยว่าแต่คุณแน่ใจเหรอด้วยกระสุนของเราเหล่านี้จะไม่ด้านระพินมองดูลูกปืนที่วางเรียงรายอยู่เม้มริมฝีปากนิดหนึง่งเขาเองก็แขลงใจอยู่เหมือนกันจากสภาพที่เห็นถึงจะด้านบ้างก็คงไม่หมดไปทุกนัดหรอกครับและถ้าหากมันได้รับความร้อนแห้งสนิทจะนัดที่ด้านก็ควรจะใช้งานได้อีก สำคัญอย่าเพิ่งให้เข็มแทงชนวนเจาะแกลบท้ายกระสุนสะก่อนเท่านั้นแหละคุณหญิงมีลูกติดตัวอยู่กี่นัดละ่ะหลอนขมวดคิ้วนิ่งคิดแล้วลุกผุนผันขึ้นไปควาย่ามส่วนตัวออกมาเปิดค้นดูพบว่านอกจากที่รพินนมาเรียงรายผึ่งไฟอยู่ก่อนแล้วประมาณสิบนัดซึ่งเป็นกระสุนที่เขาถอดออกจากกระเป๋าเสื้อของหล่อนก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งกล่องยี่สิบนัดในย่าม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 พระนุ่มประคองไรเฟิลกระบอกนั้นขึ้นจนเหนือสีษะตามองหลอนแต่ทำปากขมุบขมิบเหมือนจะบนบานภาวนาด้วยท่าอันตลกแล้วจ้องปากกระบอกขึ้นสูงและเหนียวไกอีกครั้งมันแผดระเบิดกึกก้องสนันวันไหวเช่นเดียวกันแสดงว่ากระสุนไม่ด้านตัวคนยิงเองเอ็นไห้หลังมาอีกถ้าว่าเจ้าของตัดไหวทันซะแล้วเอาฝ่ามือทั้งสองยันรับไว พร้อมทั้งผลักจนขมำไปเบื้องหน้าพลางหัวเราะเบาๆยัดเยียดปืนสั้นประจำตัวของหล่อนทั้งสองกระบอกมาให้ทดลองอีกกระสุนจุด3 5 7ม็ g และจุด2 2ม็ g จากปืนสั้นพิสูจน์ได้เห็นถึงผลิตกรรมขั้นเยี่ยมอีกครั้งโดยการลั่นเป็นปกติหรืออย่างไรี่สุดมันก็ไม่ได้านสำหรับนัดแรกที่ยิงออกไปของแต่ละกระบอกและลำดับหลังสุด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 ยามราตรีมันดังกล้องกังวานไปไกลทั้งสองนิ่งเงียบเงียหูพยายามสะดับปรับฟังเสียงใดที่จะเกิดขึ้นภาวานาตรงกันขอให้มีเสียงปืนที่ไหนสักแห่งหนึ่งกังวานลั่นตอบมาเาว่าไร้ผลทั้งหกนัดที่ลั่นออกไปแล้วกังวานกลืนหายไปกับความเงียบอันน่าพิศวงนั้นไม่มีอะไรกระโตกกระตากเลย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 ลืมตาขึ้นโดยเร็ ว, รวก็เห็นเจ้าของตักจ้องอยู่ก่อนแล้วฝ่ามือลูบไล่อยู่กับเส้นผมหยักศกยุ่งเหยิงของเขาอยากหลับ อยากหลับบนนี้ไม่ใช่เหรอระพินครับอยากถ้างั้นหลับตาลงเสะแล้วก็ขอให้ฝันดีไม่หรอกครับให้ตายเะยังดีกว่าที่ผมจะทรมานคุณหญิงครับเขาพูดโดยเร็วะ ง, งกศีรษะขึ้นแล้วพลิกนอนคว่ำเอาข้อศอกยันกายไว้มันไม่เป็นการทรมานหรอกตลอดเวลามานี่ระพินไพรวันคนนี้ไม่ได้ทุกยากทรมานแสนสาหัส มากับผู้หญิงอวดดีคนหนึ่งหรอกเหรอแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกในคุณค่าแล้วมันอาจจะสายเกินไปก็ได้แต่ยังดีกว่าจะไม่ยอมสนองตอบฉันเลยใช่ไหมใบหน้านั้นเครียดขึมขึ้นในบัดดลแต่สายตาอ่อนโยนคาระวะเป็นเกียติยศและความปลื้มปิติของรพินไพยวันพรานตาอนาถาเป็นอย่างยิง่งที่ได้ยินหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศพูดเช่นนี้ครับ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 พลันใหญ่ยักษ์ไหลนั่นเป็นลักษณะอันยิงลำพองของเขาแต่บัด น, นี้หล่อนมองดูอย่างไม่ถือสาตรงข้ามกลับนิยมลึกในส่วงหล่อนเพิ่งจะเข้าใจเดี๋ยวนี้ก็น่าจะหญิงรอกเพราะว่าเขายิงภาคภูมิอยู่ในคุณธรรมมโนธรรมของตนเองซึ่งยากนักจะเกิดขึ้นได้ในมนุษย์ทั่วไปคนอื่นๆผมม่ขอบคุณคุณหญิง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 ลมหายใจยิ่งจริงจังกระมันเท่าไรก็ยิ่งบอบช้ำเท่านั้นก่อนนี้นะผมก็เคยคิดทะเยอทะยานแต่เดี hm ๋ยวนี้ก็อยู่ไปแค่วันๆเท่านั้นแหะครับเพียงผู้หญิงคนเดียวที่อาสัตย์กับคุณทำให้คนที่มีอนาคตไกลอย่างคุณต้องปิดขังตนเองอยู่ในโลกแคบๆปล่อยความทุกข์ทรมานให้กัดกร่อนกินใจตลอดไปเช่นนี้เหรออีกฝ่ายหัวเราะเสียงแตก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 ต่อมาร่างอบอุ่นที่เบียดแนบอยู่เบื้องหลังก็คลายห่างออกไปแล้วทุกสิ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบงันคงมีแต่เสียงฟืนประทุไฟดูราวกับว่าไม่มีใครอยู่ใกล้เคียงเขาอีกแล้วในขณะ น, นี้นอกจากตัวคนเดียวพริกกลับลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นร่างอันขาวโพน น, นั่งหันหลังให้เหมือนตุ๊ ก, กตาปั้นมือมองกองไฟอย่างใจลอย รพินไพรวันพินิษฐ์ร่างนั้นทางเบื้องหลังเป็นเวลานานต่อมาจึงดึงกายขึ้นโอบประคองไหล่เปลือยทั้งสองไว้อย่างแผ่วเบาทะนุถนอมดารินสะดุง้งเอียงหน้ากลับมามองใบหน้าอันสากไปด้วยเคราจึงเคลียรแนบแก้มเป็นครั้งแรกที่หลอนแลเห็นรอยยิ้มอันแสงจะอ่อนหวานประโลมใจจากใบหน้านั้นผมตหาครับ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 ปราศจากการสำนึกในบุญคุณใครมันญาสาไถสับแปลบหลอกลวงมีสภาพดึกเถาวันใกล้ไหนก็พันนั่นและพินไพรวันยิ้มออกมาคนเดียวเงียบๆพงกใบหน้าขึ้นจูบเช่นผมศีรษะที่หนุนอกอยู่อย่างแผ่วเบานั่นอาจเป็นผู้หญิงอื่นครับแต่ไม่ใช่ดารินวราริศคนนี้หรอกและถึงหากจะเป็นเช่นนั้นจริงผมก็ไม่เสียใจหรอกครับ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 ที่มีให้กับพรานนำทางอดีตคู่อริจะเก็บชั้นและเหตุการณ์คืนนี้ไว้ในลิ้นชักแห่งความทรงจำที่เท่าไรนะลิ้นชักแห่งความทรงจาในอดีตของระพิมมีไม่มากนักหรอกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพฤติการแห่งความปราปรื้มปีติสุขมันไม่เคยมีมาก่อนเลยครับครั้นเมื่อจะมีขึ้นมาบ้างมันก็จะเป็นสุขที่ระคนกับความเศร้า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 เสียงกระซิบโตอตอบยิ่งแผ่วและห่างระยะออกไปเป็นลำดับที่สุดก็เงียบสนิททั้งสองหลับไปด้วยกันในภาวะอัญญาแค้นอนาถาหน้าอเนตอนาใจเช่นนั้นดึกสงัดชรอยจะเป็นเพราะกองไฟที่ก่อไว้รอบด้านในระยะใกล้หมดเชื้อรีโรยลงร่างมีแต่เพียงผ้าขามาผืนเดียวคลุมของดารินเย็นจนชา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 ท่ามกลางรัศมีอันวอมแวมที่ส่องเรืองเรืองของไฟที่กำลังโสมบรรยากาศมืดสลัวแต่มันก็ไม่มืดซะจนมองอะไรไม่เห็นร่างนั้นสูงชะลูดคลุมกายอันมีแต่หนังหุ่มกระดูกไว้ด้วยผ้าเปลือกไม้ขาดปริสีกลืนกับก้อนหินสีสษะโลนเกลี่ยงมีลูกประคำแขวนอยู่รอบคอพระอระหันต์มันจะเป็นใครไปไม่ได้โดยเด็ดขาด ออกจากศพตายซากพันปีที่พบเห็นกันมาแล้วนั่นเองเพียงแต่วัานะบัดนี้มันเป็นร่างที่เห็นชัดว่าครองไว้ด้วยวิญญาณดวงตาทั้งสองข้างอังเคยเห็นว่าปิดสนิทมันนับร้อยๆศตวรรษโดยไม่มีร่องรอยว่าจะขยายเปิดขึ้นจากสภาพอันเป็นหินได้เลยนั้นเปิดขยายกว้างมองไม่ผิดอะไรกับตาโนกแรงเห็นเป็นสีเหลืองลูกแก้ว แต่วาโรุธลี้ลับยิ่งกว่าตาของพ่อหมดริมฝีปากอันแสยจะน่าเปลียดน้ากรัวนั้นสยายยิ้มมายังหลอนดารินอ้าปากต้องการจะกรีดร้องออกมาให้สุดเสียงแต่คุณพระช่วยไม่มีเสียงใดๆสามารถผ่านพ้นลำคอของหลอนออกมาได้เลยแม้แต่กระดิกกระเดียกก็ปราศจากผลเรากับว่าประสาทเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อทุกส่วนถูกขึงยึดไว้โดยอนนานาจที่มองไม่เห็น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 เห็นถนัดชัดเจนขึ้นทุกทีในที่สุดก็ปรากฏกับคลองจักสุตลอทั้งตัวหยุดนิ่งอยู่ยังแนวกองไฟด้านนอกซึ่งเป็นฐานติดไฟแดงอยู่ประมาณสองว่าแต่หนึ่งว่าพระเพลิงอันร้อนแรงจะเป็นรั้วสกัดกั้นมันไวให้ต้องชงนัดงันลงชั่วขณะครั้นแล้วมืออันผอมยาวทั้งคู่ก็ยกขึ้นในระดับไหลเยียดตรงออกมาเบื้องหน้า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 คลิปตาแรกเขามองไม่เห็นอะไรนอกจากร่างอันแข็งทื่อของดารินซึ่งผิด ป, ปกติไปคลิปตาที่สองเขาก็เห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่นอกกองไฟแล้พิมพ์ไรวันกระชากจุดสีเีแมกนัมจากเอวเร็วที่สุดเท่าที่กําลังจะมีอยู่ได้แล้วเหนี่ยวกลทําทีเสียงเข็มแทงจนวนกระแทกปลายปลอกกระสุนดังแฉสั ญ, ญลักษณ์ที่เตือนให้ทราบว่ากระสุนด้านกระชากจใจวูบวิวออกไปจากทรวงอก พรานใหญ่สับไกสซ้อนๆกันอีกสองนัดนรกโจกะเปรดมันไม่มีผลอะไรขึ้นมาเลยลูกปืนทั้งสามนัดดันมาทอระยยศเอาในวินาทีฉุกเฉินขีดสุดคุณหิงหยุดเขาร้องตะโกนก้องเสี้ยววินาทีนั้นเองก็พุ่งเขารวบเอวราชัชสะกุลสาวก่อนที่หลอนจะก้าวในลักษณะตุ๊กตาไขาลานล่วงล้ำออกไปนอกกองไฟหล่กลิ้งลงกับพื้นมัดไว้แน่นในปลอกแขนข้างหนึ่ง แหนอีกข้างหนึ่งเหยียดบืนที่กําัซองออกไปยังทิศทางที่เห็นไอ้ผีบิดพันปีวองการจะสับนกลงไปให้ครบทุกนัดที่บรรจุอยู่ในโม่แต่แล้วก็ชะ ง, งักงังเบิกตากว้างพยายามค้นหาในความมืดอันเป็นฉากบดบังอยู่ร่างนั้นอันตระทานไปสะแลว้วดารินบัดนี้ล้มลงนอนตะแขงอยู่ในอ้อมแขนอันรับแน่นของเขา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 นักต่อไปยังไม่รู้อย่าขยับขยื่นไปไหนนะครับอยู่ในนี้แหละได้ยินเสียงหัวเราะได้หรือเปล่าได้ยินครับมันอยู่ตรงหน้าเรานี่เองกลิงอยู่ในความมืดลรมยกปืนในมือส่องไปทางด้านที่ได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบานั้นแล้วเหนียวไกแต่แล้วก็แทบช็อกจุดสามห้าเจ็ดแม็กนัาของเงอนมีผลไม่ดีไปกว่าปืนของจอมพรานมันด้านเช่นกัน ความตะลึงพึงเพลิดนี้เองเงาตะคุ้งก็เริ่มปรากฏขึ้นอีกพร้อมกับเสียงหัวเราะอันชวนขนหัวลุกนั้นทั้งสองจ้องออกไปด้วยดวงตาแทบถลนประทุร่างกายแข็งเย็นไปอีกครั้งหมดพลังที่จะกระดิกกระเดี่นอกจากอาการยืนจังหนังมันปรากฏกายขึ้นอีกแล้วซากที่เคยเห็นเป็นท่อนไม้แข็งทือ่อซากนั้นค่อยๆเคลื่อนเด่นชัดใกล้กองไฟเข้ามา ในที่สุดก็หยุดยืนอยู่ริมรอบนอกของกองไฟจมูกอันงองุม้มริมฝีปากที่เสแะสยายผิวหน้าติดกระดูกที่มีรอยเหี่ยวย่นเหมือนคางคกปลายซากไม่มีสัญลักษณ์ใดๆที่จะบอกถึงสภาพอันมีชีพชนนอกจากดวงตาคมวาวกล้ารับสมีทั้งคู่เท่านั้นมันกรอกกลิ้งโฉชบชเฉวียนไปรอบด้านอย่างตาของสัตว์มีชีวิต เสียงหัวเราะดังมาจากมันแน่นอนเห็นกันในระยะใกล้ห่างไม่เกินสี่ห้าว่าและพินกัดกรามแน่นรวบรวมสติสัมปชัญญะและพลังใจทั้งหมดต่อสู้กับอำ น, นาจลึกลับที่กำลังจะทำให้กลายเป็นอ ม, มาพตยกปืนขึ้นอีกครั้งเล็งไปยังกลางใบหน้านั้นรัวนิ้วไปต่อกันไปอย่างไม่ละความพยายามความหวังทั้งหลายวูบเมื่อตระหนักว่า ทั้งหกนัดที่บรรจุอยู่ในปืนหาประโยชน์อันใดม่ได้เลยแต่ยินแต่เสียงนกที่ตีเข็มแทงจานวนเท่านั้นสิ่งที่เขาจะทำได้ในขณะนี้ก็คือโระชากมีดโบวีจากเอวออกมาถือกระชับมั่นไว้ในมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่ ง, ง, งก้มลงคว้าท่อนฟืนยาวประมาณหนึ่งวาซึ่งตรงไยไหม้เป็นฐานแดงโชนคุ้มเชิงพร้อมปรงใจแน่วแน่แล้วว่าพันธีที่มันก้าวล้ำแนวกองไฟเข้ามา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 หรืออมนุษย์และไม่ประจักษ์ว่าได้ก่อกายกาเนิดขึ้นตั้งแต่ประวัติศาสตร์ย <problems> <scratched vo> <check> <m ain politicians> ุคไหนเสแยยิ้มออกไปจนแลเห็นฟันเย๋เกซี่ใหญ่หน้าสะอิดสะเอียนมันเป็นกระดูกฟันที่ติดอยู่กับกระโหลกศพเก่าแก่มากกว่าที่จะเป็นฟันของสิ่งมีชีวิตพวกสูพวกสูเยียบย่ำล้ำแดนเข้ามา ในอาณาจักรของตู้กำลังจะมาทำลายหลางอาถรรพเวทที่ตู้เป็นเจ้าครอบครองอยู่ความหายณะวิบัติทั้งหลายที่พวกตู้ได้รับเป็นลำดับมาตู้บันดาลให้เกิดขึ้นทั้งสิ้น พวกซูจะต้องพีดนาดดาริมบาราริใช้กำลังใจขีดจุดบังคับตนเองไม่ให้เป็นลมล้มสลบไปด้วยความพรั่นพรึงสยองใจขีดจุดในพฤติภาพของสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าลำเบียดกายเข้ามาอยู่ในวงแขนของจอมพรานแน่นเหมือนจะแทรกละลายเข้าไปเพื่อให้เป็นบุคคลเดียวกัน แต่เราไม่ได้มีเจตานาจะรุกล้ำหรือเป็นศัตรูใดๆกับเจ้ามาก่อนเลยนะจิตวิญญาณอันแปกเปื้อนไว้ด้วยบาปของเจ้าแท้ๆ ท, ทาให้คิดประสงค์ร้ายต่อเราและอกุศลจิตนั่นเสเถิดมันไรเราต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ขออย่าให้มีบาปเวรต่อกันเลยระพินประกาศดังๆน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนบอกความเป็นมิตรอยู่ในที ตาชําลืองปอยังไรเฟิลทั้งสองกระบอกที่วางอยู่กับพื้นช่างใจอยู่อะ่กะก็สุนจะด้านอีกหรือไม่ถ้าผลลงไปตะครุบมันขึ้นมาเ <c oughs> พื่อนสาวผู้ร่วมสถานการณ์ก็ดูเหมือนจะรู้ทีลำจ้องอยู่ที่ไรเฟิล น, นั้นเหมือนกันพวกสู่ต้องตายไม่มีมนุษย์ตนใด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 ขยับดุ้นฟืนติดไฟในมือเดินปรีเข้าใส่ยิ้นสาวพยายามจะร้องห้ามและฉุดเข้าว้หลบอยู่เบื้องหลังพริปตานั่นเองอ่อนที่เขาจะเพนข้ามกองไฟออกไปด้ารินก็กระโจนลงตะครุบไรเฟิลของหล่อนคว้าขึ้นมาสาตปากระบอกไปยังร่างสูนทรานานที่ยืนเป็นเนาตะคุ่มอยู่กับฟันเนี่ยวไกวินาทีอันสยองใจขีดสุดถูกทาลายและจบด้วยอนุภาพของจุด 3000แมกนมมันระเบิดปีกเก้าเหมือนสายฟ้าที่พาลงไปกลางนรกดังกว่าทุกครั้งราวกับตัวปืนและคนยิงจะพลอยระเบิดแหลกลามไปด้วยพร้อมๆกับกำปั้นหน้าจะถอนเลื่อนลั่นนั้นร่างเหมือนเสาะลูดเสียผีกระเด็นพลิกกลับไปในพริบตาด้วยฤิธเดทของแรงประทะสี่พันกว่าฟุตเป่าล้มฟาดในอาการของไม้ท่อน กระทบฐานลงกลางพื้นหินแน่นิ่งอยู่กับที่ไม่กระดิกกระเดียแม้แต่นิดเดียวระพินุธานลั่นออกมาด้วยความยินดีจนลืมตัวถูกลูกไปแล้วมันคว่ำอยู่นั่นหางเสียงของเขาถูกกดด้วยเสียงไรเฟิครจากดาริมัดที่สองหล่อนกระชากปลอกเก่าออกทิ้งตบลูกเลื่อนขึ้นล้ํายังฉับไวที่สุดแล้วระเบะิดซ้าออกไปยังร่างที่นอนคว่ำหน้าหางไม่เกินสิบ้าก้าวนอกกองไฟ เห็นได้อย่างถ น, นักที่สุดว่ากระสุนแรล่งทะลุผ่านบริเวณใดบริเวณหนึ่งกลางลําตัวของมันไปเพราะว่าร่างนั้นไหวสะเทือนด้วยแรงผ่านของลูกปืนพอสํานักที่สองหล่อนก็พร้อมที่จะระเบิดนัดที่สามออกไปได้อีกแค่จําเป็นประทับปืนจ้องพร้อมตาลุกวาวเบิกกว้างพระพินเองแบบนี้ยืนจ้องค้างพอได้สติเขาก็ก้มลงคว้าไฟฉายอะไรเพื่ประจทรตัวขึ้นมา ต้องกลายเป็นลําจ้าออกไปในทันทีในระหว่างเขาและหลอนไม่มีใครตาฝาหรือคิดฝันไปเองเลยการลาไฟฉายขนาดแปดท่อนที่ช่วยกันซองจับอยู่ทั้งสองกระบอกขณะ น, นี้ร่างของเจ้านักบทล้วนผู้แสนจะลีลับนอนคว่าหน้าเหยียดยาวอยู่ที่นั่นจอมแานเพ็นข้างกองไฟวิ่งตรงเข้าไปยังซาก ข, ของมันในพริบตานั้น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 เต็มไปด้วยจิตตานุภาพหน้าสะพึงกลัวที่สุดเปลือกตาบุบลึกตีบกรวงเข้าไปในกระบอกตาทุกส่วนของร่างกายแข็งและเย็นเป็นไม้ทอดเวลาขยับขยื่นไปกับพื้นหินมีเสียงโกรกโกสภาพเดิมกับที่เคยพบมา ก, ก่อนกระสุนนัดแรกของดาริงเจาะเข้าที่บริเวณไหปลาราด้านขวาทะลุเลยออกไปด้านหลังนัดนั้นเองที่ผลักมันให้หมุนคว้างเป็นกลงหันแ ล, ล้วล้มลง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 ความหวาดเสียวสยองขวัญครั้งใดที่ผ่านพบมาก็หาเท่าที่เห็นอยู่คาตาขณะนี้ไม่มันมาปรากฏกายให้เห็นในลักษณะของมนุษย์ปุถุชนได้ยินได้ฟังแม้กระทั่งเสียงที่มันพูดอย่างมุ่ร้ายหมายขวัญครั้นแล้วหล่อนก็ได้มีโอกาสลั่นกระสุนขึ้นย่งเผาขนที่สุดและถูกมันอย่างจังจนเห็นคว่าไปกับตาแต่พอเข้ามาตรวจ ด, ดูมันกลับกลายเป็นซ่าขินไปอีกแล้วยังฉับพลันกระทันหันที่สุดพระอระหันต์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 รัใหญ่คว้าแขนดารินกระชากออกวิ่งเพนกลับเข้าไปอยู่ในแนวล้อมของกองไฟแล้วเร่งโยนท่อนฟืนเพิ่มเติมเข้าไปในกองอันกําลังจะมอดดับอย่างลนลานรีบด่วนปากก้อนละล่ําละลักฉายไฟไว้เร็วดารินเต้นเล่าไปหมดทั้งกายระหว่างที่ระพินเร่งทําไฟให้ติดเป็นเปลวลนประกบไฟฉายไว้กับกระโจมมือถือไรเฟิ้ลฉายกราดไปรอบๆอย่างพร้อมทุกขณะจิตที่จะกระดิกไกปล่อยกระสุนออกไปทันที ที่เห็นอะไรผ่านเข้ามาในแสงไฟเสียงพยักร้ายกันโชคคู่คำรนอย่างดูร้ายเกลี้ยกลาดละคนไปกระเสียงตะกุยดินและโคนต้นไม้เรากับใครเอาจอบขุดมันเดินวนเวียนมุ่นงานอยู่ในมูมโคดหินและป่าทึบรอบด้านใกล้ๆนี่เองโดยมีเงาของพุ่มโพงและโคดแกงอําพรางอยู่ทั้งสองแทบจะลืมร่างของไอ้ผีตายซากอย่างสนิทช่ชั่วขนานึง หันมาพวงอยู่กับมรดยุที่ไกลเข้ามาอยู่เพียงแค่ปลายจมูกมันอยู่ใกล้แค่นี้เองรู้สึกจะชายโขดหินตรงหน้านี่แหละดารินร้องออกมาระวังดูให้ดีเห็นแม้แต่นิดเดียวยิงทันทีเขาบอกเร็วปรือเร่งเป่าไฟจนติดลุกเป็นเปลวขึ้นระดองขนกิ่งไม้เข้าสะสมเพื่อโหมให้ติดชนขึ้นรอบด้านแล้วทลามาสุดตัวกำบางก้อนหินอยู่ข้างหล่อนเวยไรยเฟิรประจมือพร้อมไฟฉายช่วยกราดค้นหาอีกด้านหนึ่ง ลองยิงปืนของคุณดูสักนัดสิมันจะด้านอีกหรือเปล่ารพินเห็นด้วยกับคําผู้หญิงสาวเหลงเดาสุ่มไปยังโพงไม้อันหนาทึบซึ่งน่าจะมีไอ้มัจจุราชดําปลอดแฝงกายอยู่แล้วแตะไกจุดสี่ห้าแปดระเบิดบุ้มรลวกับพลุกพุ่งพงด้านที่ปากกระบอกส่องไปกระจายว่อนแหลกเป็นทางลูกไก่เฟินไม่ด้านมันยังซื่อสัตย์ดีอยู่เหมือนเดิมช่วยกําลังใจกลับคืนมาในทันทีนั้นเอาละ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 ซึ่งวินาทีนั้นความรวดเร็วฉับไวพร้อมทั้งกระสุนนัติทําหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตว์เท่านั้นจะเป็นหลักประกันของชีวิตเทว่าบัรนี้ก็ยังไม่อาจเชื่อแน่ได้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงฝากไว้กับดวงชะตาเวลาผ่านไปอึดใจใหญ่ๆระพินภัยวันก็จับกระแสได้ว่ามันพยายามเดินวนเวียนอยู่รอบๆเหมือนจะหาลูกทางอันถนัดที่สุดเพื่อเข้าโจมตี หรือมีฉันนั้นก็เดินล่อหลอกสร้างให้เกิดความสับสนเพื่อกลยุทธ์อะไรของมันสักอย่างทุกครั้งที่สาดไฟออกไปเห็นแต่พุ่มไม้และโขดหินไม่ปรากฏร่างกายส่วนใดของมันเลยเหมือนกับว่ามันจะคอยหลบกำบังตัวไว้จากรัศมีไฟฉายอย่างนกรูและเมื่อไม่เห็นตัวก็ยิงไม่ได้ลองยิงสุมไล่ดูอีกสักนัดนะญิงสาวกระสิกอย่าดีกว่าไม่มีประโยชน์หรอกเสียงปืนช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะมันไม่กลัว ราจังหวะให้เห็นตัวถนัดถ้ายิงก็ให้ถูกเลยรู้สึกว่ามันจะเดินอยู่รอบๆตัวเราระยะใกล้ๆนี่เองใช่บางเหลี่ยมหินและต้นไม้ห่างกันแค่จมูกนี่แหละดับไฟซะดารินปิดสวิตไฟฉายในมือของหลอนที่กรดาศายอยู่ตลอดเวลาวูบลงทุกสิ่งทุกอย่างมืดมิดราวกับเหวนรกคงสว่างแต่เฉพาะกองไฟรูปวงกลมที่ก่อไว้เท่านั้นต่างพยายามใช้ประสาทหูให้เป็นประโยชน์ที่สุด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 มันกำลังไต่ขึ้นมาทางก้อนหินด้านซ้ายมือนี่อย่าเพิ่งใช้ไฟนะขอยิงอย่างเดียวผมจะไฟใช้ไฟเองดารินสายปากกระบอกไรเฟิลที่จ้องไปยังอีกด้านหนึ่งย้ายกลับมายังตำแหน่งที่ระพินบุ้ยปากบอกประทับผ่านท้ายขึ้นแนบไหลเสีงยงไต่ตะกายก้อนหินใหญ่ดังอยู่เช่นนั้นแต่มีจังหวะขาดขาดหายหายเหมือนจะใช้ความพยายามให้เบาที่สุดเพื่อนําร่างอายายันใหญ่โตของมันขึ้นมาอย่างเงียบกริบ มันฉลาดเยี่ยมทีเดียวที่หาทางย่อมขึ้นมาทางด้านนั้นเพราะโดยปกติแล้วมนุษย์ย่อมจะไม่เชื่ อ, ห ร, อหรือแวงสงสัยเป็นอันขาดว่าสัตว์ใดจะไต่ขึ้นมาได้เพราะเป็นก้อนใหญ่บัดชันและเบื้องล่างเป็นกระแสทานน้ำตกเชี่ยวกรับผักใหญ่ของการรอคอยจังหวะอันระทึกใจขีดสุดนี้เสียงของมันก็เงียบสนิทหายไปอีกอย่างเต็มไปด้วยปริศนาที่ขบไม่แตก ดารินขยับตัวแต่จอมพรานแตะไหลว้ให้สงบนิ่งตามเดิมสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความพิศวงขีดสุดพยายามเงี่ยหูแม้จะหนาวแสนหนาวเพียงไรบัดนี้เหงื่อที่หน้าผากก็ผุดซึมมันเงียบไปแล้วนักมนุษยวิทยาสาวกระซิบเบาที่สุดตายังจับจ้องไม่กระพริบไปยังที่หมายเดิมในใจของหลอ น, นึกสวดมนต์ภาวนาขอให้อำนาจพระพุทธคุณคุ้มครองอยู่ตลอดเวลา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 คุณหญิงชายไปดูทางด้านหลังสิดารินหมุนตัวกลับหันหลังชมจอมพ่านสองไฟปลาต่อไปทันทีแล้วหล่อนก็ร้องออกมาสุดเสียงอย่างลืมตัว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 แต่พื่นตายของหล่อนโอบวงแขนกํายำอบอุน่นกอดไว้รอบไหล่ด้วยอาการปลุกปลอบขวัญถ่ายทอดความมั่นคงแข็งแกรง่งให้ดวงใจที่กําลังหวาดผวาแทบจะควบคุมไว้ไม่ได้นั้นไม่ต้องกลัวคุณหญิงไม่ต้องกลัวนะครับระพินไพรวันยังอยู่นี่ท่องชื่อระพินไว้ครับระพินระพินระพินระพินโอ้ช่วยด้วยล่อนร้องเหมือนคนกําลังจะสิ้นใจ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 อยงแน่ใจว่ามันไกลออกไปแล้วจึงหันมาจัดการแก้ไขหญิงสาวและดารินก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งด้วยความหวาดกลัวที่จับใจขีดสุดทันทีที่ลืมตาเห็นหน้าก็กอดเข้าไว้แน่นเรียกชื่อและล่ำาละลักฟังไม่ได้สับพระพินพยายามปลอบโยนอยู่ครู่ใหญ่แต่อาการของหญิงสาวไม่ดีขึ้นความรู้สึกของหล่อนยามนี้อยากจะตายให้พ้นจากภาวะอันธรรานเสรู้แล้วรู้รอดมันมันไปแล้วเหรอพระพิน ครานใหญ่หัวเราะปลอบใจกอดประทับไว้แนบอกครับมันไปแล้วครับมันอยู่เพื่อที่จะลองกับลูกปืนไม่ได้หรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปืนนัดที่ไม่ได้นะครับฉันฉันกลัวหรือเกินระพินฉันกำลังจะตายนะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่นักพจนภัยสาวเลือดราชเชสกุลร้องไห้เหมือนเด็กๆหล่อนร้องไห้เพราะความกลัวและเสียขวัญสุดขีดระพินคงหัวเราะอยู่เช่นนั้น ตกเบาๆที่สีสันอันแนบอยู่กับท่วง อ, อกเหลวไหลหน้าคุณหญิงจะต้องกลัวอะไรนะดารินวราริ์ไม่เคยหวาดกลัวไม่ใช่เหรอหวันไรไม่เคยหวันระย่อต่ออะไรสักอย่างเดียวนี่ผ่านพจนนและชนะมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ามันจะร้ายกาดน่าสะพึงกลัวสักขนาดไหนก็บอกแล้วไงว่าให้ท่องชื่อระพินเอาไว้ท่องสิครับระพินระพินท่านนึกอะไรไม่ออก แต่ครั้งนี้มันไม่ไหวจริงๆนะโอ้ยคุณพระคุณเจ้าลูกกลัวแล้วหลอนสะอึกสะอื้นปิดตาแน่นครานี้รพินหัวเราะออกมาดังๆก็ดีท่องไว้เถอะครับคุณพระคุณเจ้านั่นดูเหมือนจะศักดิ์สิทธิ์กว่าท่องคําว่าระพินซะอีกนะครับอย่าร้องไห้ครับคุณหญิงไม่ขายหน้าตาพรานไัยใจฉกาดบ้างหรือยังไงเสียแรงสัญญาท้าทายกันไว้อย่างแข็งแรงว่าจะเก่งกล้าสารพัด แล้วมาทำไมทำไมคราวนี้ถึงได้ร้องไห้ล่ะครับดารินไม่มีความรู้สึกอื่นใดอีกแล้วในยามนี้นอกจากความหวาดกลัวอย่างเดียวฉันฉันกลัวแล้วยอมแพ้แล้วไม่ขออวดดีอีกต่อไปแล้วล่ะกอดฉันเถอะรพินกอดให้แน่นที่สุดอยากจะรู้ว่าถ้าอยู่ด้วยกันในเมืองอ่ะจะขอร้องให้ พ, าพรานไัรต่ำสักกอดอย่างนี้มัางไหมนะเขาแกล้งยั่วย้าวหวังจะให้หลอนเกิดโทรศั่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 วิญญาณมันก็ถอดกลับเข้าสิงร่างคนลุกขึ้นเดินหนีไปพอซากของคนหลบหายไปได้พ้นจากรัศมีการติดตามของเราทั้งเสือและคนก็พากันผลักหนีไปอาจจะโดยวิธีกลับเข้าสิงในซากเสือและใช้เสือคาบซากคนไปก็ได้เราโง่ไปความมันหน่อยเดียวเท่านั้นแหละถ้ารู้ทันสัก่อนระหว่างที่คอยคุมเชิงเสืออยู่เราก็ น, นําซ้ําไปที่ร่างคนให้ย่อยยับ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 ไม่วิเศษเหนือไปกว่าลูกปืนหรือไอไฟหรอกไม่สังเกตนระครับพอเราตั้งรับเตรียมพร้อมมันก็ไม่กล้าที่จะจู่โจมเข้ามาเ่าให้ร่างกายของเสือก็เถอะและ้วแล้วนี่คุณแน่ใจเหรอว่ามันไปแล้วอย่างน้อยก็พากันเปิดแนบห่างเราออกไปชั่วขณะนึงมันไม่แน่จริงหรอกครับคุณหญิงเพราะมันยังหนีเราถ้ามันอยู่ยงคงกระพันวิเศษจริงก็ควรจะเข้ามาประจัญหน้าให้รู้ดีรู้ชั่วกันไปแล้ว เราสองคนไม่มีอะไรเนี่ยนอกจากลูกปืนเท่านั้นแต่ว่ามันก็ต้องขยาดลูกปืนเหมือนกันละยิงสาวงันไปอีกตะแคงหูเหมือนจะพยายามสะดับกับฟังทุกเสียงที่จะแว่วมาให้ได้ยินแต่หล่อนก็ไม่ได้ยินอะไรมากไปกว่าสายน้ำตกที่กังวานอยู่สู่ซ่าและสัมสัเนียงของไพรา ย, ยามวิการในสั ญ, ญลักษณ์ของธรรมชาติอันสงบโดยไม่มีอะไรแปลกปลอม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 อยากให้มันแ ผ, ผ่วพานเข้ามาอีกนะครับฟาดกันให้แตกขาดไปข้างนึงเสียดายจริงๆที่มันพละหนีไปซะก่อนแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันก่อนที่จะสว่างมันจะมาเล่นงานเราในรูปไหนก็ยังทายไม่ถูกรู้แน่อย่างเดียวก็คือนี่เป็นโอกาสของมันละที่จะเปิดฉากราวีเราอย่างดุร้ายจริงๆเพราะรู้ดีว่าขนาดนี้เราพลาดจากพวกพ้องเหลือกันอยู่แค่สองคนเท่านั้นทําใจดีๆวะครับคุณหญิงอย่าไปกลัวมัน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 ฉันจะพยายามระพินแม้ว่ากําลังใจของฉันมันจะไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วในขณะนี้ที่ฉันเฉยไรเฟิลขึ้นยิงมันได้ตอนนั้นน่ะก็เพราะความตกใจที่เห็นคุณจะเปลี่ยออไปหามันนั่นแหละเป็นการกระทําโดยไม่รู้สึกตัวแต่แล้วยิงมันคว่ำไปก็จริงมันกลับลุกขึ้นเดินหนีไปได้ีตอนเราเผลอแบบนี้ก็หมดกําลังใจที่จะไปคิดต่อกรกับมันอีกแล้วล่ะสภาพของมันเป็นอมตะเป็นสิ่งที่ไม่ตาย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 ให้มันเห็นคาตาชัดๆอีกครั้งดีว่าเมื่อถูกลูกปืนน่ะซากทั้งสองก็ตกอยู่ในสภาพยังไงถ้ากลายเป็นซากแข็งทื่อปราศจากชีวิตเพราะต้อการหลบหนีอำนาจลูกปืนของเราเราก็พยายามทำลายซากนั้นให้พินาทย่อยยับไปซะโดยเร็วที่สุดเมื่อวิญญาณขาดร่างใดร่างหนึ่งมันก็จะถูกจํากัดอำนาจอยู่เพียงร่างเดียวที่เหลืออยู่ไม่สามารถจะถ่ายเทสับเปลี่ยนได้อีกแล้วเราก็จะจัดการกระซากที่เหลือของมันต่อไปเป็นลําดับ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 จะลงความเห็นพ้องด้วยได้นั่นเป็นวิธีปลอบขวัญกันอย่างดีที่สุดแต่สําหรับเหตุการณ์ดังที่ได้เผชิญอยู่บัดนี้มันสุดความสามารถของเขาที่จะกลบเกลืนเงื่อนงำได้อย่างเดิมป่าที่แวดล้อมรอบกายมันแรงร้ายกาดอาถรรพ์ลี้ลับที่คุกคามมุ่งลายหมายขวัญก็ประกาศตัวของมันออกมาอย่างชัดแจ้งตัวเขาเองมีความเข้าใจกับมันทั้งๆ ท, ที่ไม่สามารถจะหยิบมันออกมาจําแนกพิสูจน์ได้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 เราบรรจงสวมคล้องผ่านศรีรษะของหญิงสาวติดไว้ให้ที่คอดารินตื่นงงเล็กน้อยเอามือทาบท่ยซึ่งบัดนี้ประดิษฐานอยู่บนร่องอกอันขาวผ่องของหล่อนอะไรนี่ระพินเอามาคล้องคอยฉันทำไมริมฝีปากได้รูปอันค้านกับความกล้านเกรียมของใบหน้านั้นยิ้มแค้นคุณหญิงครับมันอาจไม่มีค่าอะไรเกินไปกว่าสร้อยเงินราคาถูก และท้ดำสกปรกลูกนั้นแต่สำหรับเดี๋ยวนี้อยางที่จิตใจของคุณหญิงหวั่นไหวยากที่จะควบคุมสติได้โปรดรับไว้เถอะครับสมมติว่าเพศภัยที่เรากำลังเผชิญอยู่เปรียบเสมือนกรดสิ่งที่คล้องคอคุณหญิงนั้นก็อุปมาได้เช่นด่างมันจะคุมสติและคุ้มผองภัยให้แก่คุณหญิงครับโออะไรนี่ที่อยู่ในท่ใบเนี้ยหลอนร้องออกมาเบา หยิบถ่ลูกนั้นขึ้นคลาดูสิ่งที่บรรจุอยู่อารมณ์อันหวาดวันแปรเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันกลายมาเป็นตื่นใจระคนขันยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกหลายอย่างครับอีกฝ่ายตอบมาแหบห้ามีงาช้างกำมีงาช้างที่ลงอาคมไว้มีหนังหน้าผากเสือเหรียญพดด้วงเหรียญชาวาอุลกัมณี ไว้ลากลูกนิมิรแล้วก็เหล็กไหลถ้าอาถรรพ์มนมืดเป็นสิ่งมีจริงนะครับของเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสกัดกั้นได้จริงเหมือนกันดารินมีสีหน้าประหลาดใจประคองท่ายนันไว้ด้วยมือทั้งสองที่พนมขึ้นหล่อนเกือบจะหัวเราะแต่แล้วก็ชะ ง, งักช ง, งนอยู่คลามครันคุณได้มาจากไหนเนี่ยระพินบางอย่างก็ได้มาจากพ่อครับ บางอย่างก็ได้มาจากพรานเก่าที่ชื่อนานไพรมันอาจไม่มีค่าอะไรกับใครหรอกแต่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิต พ, าพรานไพรอย่างผมมันจะติดตัวผมอยู่ตลอดเวลาขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าผมไม่เคยกลัวป่าก็เพราะเครื่องรางเหล่านั้นมันมีนมส่วนเดินใจด้วยแปลกนะหล่อนอุทานเกือบจะลืมเรื่องอื่นใดลงหมดสิ้นชั่วขณะนี่คุณเชื่อเรื่องจางนี้เหมือนกันเหรอรพิน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 ดารินจ้องเขาอย่างซาบซึ้งประทับใจฉันศรัทธานในสิ่งนี้ด้วยความจริงใจรบพินแต่นี่มันเป็นของดีประจำตัวคุณนะก็ควรจะติกตัวไว้เอาไม่ฉันทำไมพร้อมพูดหล่อนขยับจะถอดออกแต่เจ้าของแตะมือห้ามไว้ผมเป็นห่วงคุณหญิงมากกว่าตัวเองครับผมมีกำลังใจกล้าแข็งพอที่จะเผชิญกระทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง โดยไม่จําเป็นต้องมีอะไรช่วยแต่คุณหญิงสิไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีแม้กระทั่งความเชื่อมั่นตัวเองในขณะนี้มีสิทําไมจะไม่มีมีอะไรก็มีระพินไพรวันยังไงละ่ะมีระพินไพรวันนะ่ะยิ่งกว่ามีสราระใดๆทั้งสิ้นในยามนี้นะจะบอกให้อะแปลว่าเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วสิไม่กลัว นั่นแหละคืออิทธิพลอำนาจของเครื่องรางที่คล้องคอคุณหญิงอยู่ละ่ะเอ้ยรู้สึกว่าคุณพยายามจะเยียวยาฉันในด้านจิตวิทยาเหลือเกินนะดารินพูดพร้อมกับฝืนยิ้มฝืนๆตำไถ่เครื่องรางที่คล้องคอไว้ในมือแน่นและเอาหน้าผากชนพิงไหล่เขาเอาวแตอย่ากังวลไปเลยบอกแล้วว่าฉันจะพยายามทําใจให้เข้มแข็งที่สุดคนเราน่ะมีเพดานของความกลัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นน่ะ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 ตื่นขึ้นมาเพราะความหนาวและเมื่อยขบพอลืมตาขึ้นฉันก็พบตาของมันมายืนจ้องอยู่ก่อนแล้วจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรอีกจนกระทั่งคุณเขย่าเรียกนี่ถ้าไม่ใช่เพราะคุณตื่นขึ้นมาและฉุดฉันไว้ทันนะ่ะฉันคงจะออกไปหามันแล้วล่ะแล้วป่านนี้จะเป็นยังไงมัง่งเอาไปรู้สิผมก็อาจจะตื่นขึ้นมาและพบว่าคุณหญิงหายไปแล้วเขาพูดพร้อมหัวเราะดุดุแยกเขี่ยวมองออกไปยังความมืดเบื้องหน้า ขณะนั้นมันย่องเข้ามามันใช้อำนาจจิตสะกดเรียกคุณหญิงมันฝ่ากองไฟเข้ามาไม่ได้แต่มันใช้การสะกดจิตชักจูงให้คุณหญิงออกไปหามันเองลูกปืนเจ้ากรรมก็ดันมาด้านเข้าในเวลานั้น ท, ทั้งทั้งที่เราลองกันอย่างดิบดีแล้วสินะพูดถึงลูกปืนด้านดารินคว้าปืนสั้นจุดสห้าเจดของหลอนขึ้นมาทันทีเปิดรังเพลิงเทลูกออกมาตรวจสอบโดยเร็ว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 แล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะลองยิงดูหมดทุกนัดนี่เมื่อเห็นว่านัดแรกไม่ด้านเรากอ็อนุมานเอาว่าส่วนมากมันควรจะใช้การได้พอเกิดเรื่องจำเป็นที่จะต้องใช้ขึ้นมาเจ้ากรรมมันเกิดด้านขึ้นมาและสาเหตุมันก็มีอยู่แล้วคือลูกปืนถูกแช่น้ำมานานลูกปืนสั้นมีปลอกกระสุนที่สั้นและบรรจุดินขับน้อยโอกาสที่น้าจะซึมเข้าไปทาให้เชื้อปะทุเปียกมีได้ง่ายกว่าลูกไรเฟิล ซึ่งปลอกยาวกว่าผนึกหัวกระสุนไว้ได้แน่นกว่าขณะนั้นนะเราตกตะลึงกันไปชั่วขณะพอ ร, รู้สึกว่าทั้งหกนัดที่บรรจุอยู่ใช้การอะไรไม่ได้เลยเราก็ไม่ได้คิดถึงไรเฟิลอีกต่อไปโชคดีอยู่บ้างที่คุณหญิงช่วยไรยเฟิลขึ้นมายิงออกไปด้วยความตกใจหรืออาจจะเป็นไปด้วยสัญชาตญาณก็ตามเหตุการณ์มันจึงเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่กระสุนนัดนั้นระเบิดขึ้น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 อย่าเพิ่งไวหวางเพิ่งอะไรกับปืนสั้นในขณะนี้เลยครับฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กระไรเฟิ่นดีกว่าแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปยังราวที่ตากผึ่งเสื้อผ้าของราชสกุลสาวไว้คว้าขึ้นมาคลำตรวจดูอึดใจหนึ่งก็หอบทั้งเสื้อและกางเกงนำมาส่งให้หมาดๆพอจะสูนได้แล้วละครับถูกไอตัวเข้าหน่อยก็จะแห้งสนิทเองนะครับดารินพึมพำขอบคุณรับชุดเดินป่าของหลอนมา และลุกขึ้นจัดการสวมอย่างรวดเร็วถึงจะยังชื้นอยู่เล็กน้อยก็ยังดีกว่าร่างกายเปล่าเปลือยสะท้านสั่นอยู่เช่นนั้นแม้จะมีไอไฟช่วยผิงซักเพียงใดก็ตามสภาพของหล่อนที่สวมใส่เสื้อผ้าเป็นไปในลักษณะปกติมันหมดความจำเป็นที่จะต้องกระดาษายหรือหามุมรับตาใดๆอีกต่อไปแล้วแม้จะมีระพินไพรวันยืนอยู่ตรงหน้าสภาพที่คลุกคลีสนิทสนมคุ้นเคยกันเช่นนี้ มันพ้นสภาวะที่จะต้องมัวมาคอยตะกิตตะขวงใดๆทั้งสิ้นเกิดมาหล่อนก็ไม่เคยใกล้ชิดสนิทกับใครเหมือนกับชายผู้นี้แม้จะไม่มีความตั้งใจหรือคิดฝันมาก่อนมันเกิดขึ้นเพราะความจำเป็นแทๆ้ๆความรู้สึกของดารินวราฤทธิ์ยามนี้ก็คืออายเชจนไม่มีอะไรจะต้องอายแล้วก็กลัวเชจนไม่มีอะไรจะต้องกลัวที่สาคัญที่สุดอันทาให้หล่อนสนิทใจใครกระดาษ ก, ก็คือ สายตาคู่นั้นแม้จะมองจับมาก็จริงเทาว่ามันก็เป็นสายตาเพื่อนตายซึ่งปราศจากความหมายซ่อนเร้นใดมากไปกว่านั้นระหว่างที่หลอนรูดซิปกางเกงเพื่อนย้มยากของหลอนเข้ามาช่วยกลัดดุมเสื้อให้ไม่เคยมีผู้ชายคนใดในโลกจะทำสิ่งนี้ให้แกหลอนเช่นกันแม้แต่พี่ชายร่วมสายโลหิตของหลอนเองการปฏิบัติเช่นนี้ก่อให้เกิดความตื้นตันเต็มล้นขึ้นกลางใจของหม่อมราชวงศ์สาว หล่อนยืนนิ่งมองดูจนกระทั่งเขากลัดดุมเม็ดสุดท้ายให้และพี่เลี้ยงกลางไพลลึกของหล่อนก็ตกเบาๆที่ต้นแขนทั้งสองข้างบอกต่ำๆว่าเอาล้ครับอาการคงจะดีขึ้นนะตัวเปล่าๆกลางป่าลึกในเวลากลางคืนเช่นนี้มันก็ทารุณไม่ใช่เล่นต่อให้มีไฟผิงก็เถอะผมภาวนาขอเสื้อผ้าของคุณหญิงแห้งเร็วๆนี่ถามจริงฮะ เคยช่วยถอดแล้วก็ช่วยสวมให้กับ น, นายจ้างผู้หญิงคนไหนมาก่อนบ้างไหมคำถามแผ่วเบาเช่นนั้นทำให้เขาเกือบสะดุ้งชะงักเกิดแทบจะลืมปัญหาเฉพาะหน้าอื่นๆหมดสิน้นไม่เคยครับแล้วผมก็ไม่มีนายจ้างผู้หญิงมากนักหรอกถามทำไมครับหล่อนสั่นสีสะัะไม่เอ่ยอะไรอีกสุดกายลงนั่งกอดเขา่ารับพินหันไปเติมเชื้อฟืนอีกครั้งถามมาว่า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 นักมนุษย์วิทยาสาวร้องออกมาอย่างสะดุ้งผวายมพรามขบกรามนูนเป็นสันกวาดมองไปยังความมืดรอบด้านแล้วเข้นหัวเราะออกมาถ้าเช่นนั้นมันก็คือปุโรหิตมันไรพ่อมดร้ายแห่งนครแห่งความหลับนครหนึ่งซึ่งเคยรุ่งเรืองอยู่เมื่อกี่หมื่นกี่แสนปีมาแล้วก็ไม่สับโดยมีพันธุมววดีเป็นนางพญาผู้ครองนครและเดี๋ยวนี้ นครนั้นได้ถล่มจมหายไปแล้วด้วยการเวลาแต่ปุโรหิตมันไรยังอยู่อย่างน้อยที่สุดก็ยังวนเวียนอยู่ด้วยวิญญาณอันชั่วร้ายบาปหนาของมันอาจจะอยู่ด้วยความแค้นความพยาบาทมาตรายความมืดมัวอกุศลซึ่งจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ยังไม่ทราบคอยปกป้องหวงแหนเขตแดนของมันไวโดวยจ้องล้างทำอันตรายทุกชีวิตที่จะเหยียบย่างผ่านเข้ามาคล้ายๆกับว่า ใครก็ตามที่ย่างเข้ามายัางอาณาเขตที่มันสิงสถิตอยู่จะเป็นผู้มาเป็นพิษเป็นภัยต่อมันหรือสิ่งที่หวงแหนพิทักษ์ไว้ผมพอจะมองเห็นอะไรได้ร่างๆได้ละครับคุณหญิงครับขณะนี้เราสองคนกาลังยืนอยู่ในโลกอันมหัศจรรย์ที่สุดโลกที่เปรียบเสมือนเราฝันไป ท, ทั้งทั้งที่ลืมตาตื่นอยู่และมีชีวิตเลือดเนื้อจริงในปัจจุบันของเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย